ตอนบรรยายทำเนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาคม2558เราใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะก็ไม่เป็นไรประเพณีวัฒนธรรมที่สวยๆงามๆก็จันทลงรักษาไว้วันพ่อเนี่ยก็ก็เป็นสิ่งสมมุติแต่เป็นสมมุติสั จ, จะนะพ่อครูก็ถูกอุปโลกนะให้เป็นตัวแทนของพ่อ พระพุทธรูปพระอิทพระปูนนั้นก็อุปโลกเป็นสัญลักษณ์ของพุทธเจ้าทุกครั้งที่เรากราบกราบก็พ่อครูกราบพระพุทธลูปก็ดีเนี่ยระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะมันเป็นแค่อุบายวิธีนะบางคนก็ประเพณีวัฒนธรรมว่าเรากาบบุคคลธรรมดาต้องกาบครั้งเดียวทำไมกาบพ่อครูกาบสามครั้งนะ่บางทีเราไปติดรูปแบบนั้น กราบครั้งเดียวก็ได้สามครั้งก็ได้แต่การกราบนี่เป็นอุบายวิธีทําให้เราเลดละเลิกอัตตาตัวตนนะเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนนะก็พ่อครูก็อุปโลกนะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งครูนะทำหน้าที่ในป่านี้เพื่อรักษาจันดงสิ่งดีงามไว้นะการกราบไหว้นี่เป็นการเตือนสติระลึกถึงบุญคุณคนนะคำว่าพ่อเนี่ย เริ่มจากพ่อบ้านแม่บ้านพ่อเมืองแม่เมืองนะเออพ่อโลกพ่อจักรวาล น, นะคำว่าพ่อเนี่ยถ้าไม่มีพ่อก็ไม่มีเรานะพ่อจักรวาล น, นั้นเขาดูแลทั้งหมดแล้วก็พ่อของโลกนะโลกนี้ไม่ใช่มวลมนุษยชาติอย่างเดียวนะสรรพสิ่งทั้งหมดแล้วก็ย่อลงมาถึงประเทศไทยเราแล้วก็มีพ่อหลวงของเรานะ คนไทยเราเนี่ในอดีตปกครองกันมาแบบพ่อดูแลลูกนะตอนนี้ถึงยุคที่เขานิยมประชาธิปไตยนะก็ไม่เป็นไรมันเป็นการบริหารจัดการแบบใหม่แต่เราในฐานะเป็นคนไทยก็ต้องมีสำนึกบุญคุณของพ่อถ้าไม่มีพ่อก็ไม่มีเรานะพ่อปัจจุบันในพ่อหลวงของเราคือในหลวงองค์ปัจจุบันถ้าเราพูดถึงพ่อในอดีตตั้งแต่พ่อขุนลาม พ่อเหล่านั้นเนี่ยเสียสละเพื่อบ้านเมืองรักษาแผ่นดินนี้เนี่ยให้เราอยู่เราจึงเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าแผ่นดินนะพระเจ้าแห่งแผ่นดินนี้26ปีพ่อกูคืนนั้นเกิดอาการระเบิดแล้วเนี่ยเราหยุดชีวิตทันทีแล้วเราเลือกอะไรชี้มาบ้านเกิดเมืองนอนมาทำไมไม่มาสนองคุณแผ่นดินเกิดพ่อครูเกิดที่นี่นะทุกคนต้องมีกระตันอยู่รู้คุณ แต่ยุคนี้เนี่ยเราไปวิ่งตามวัตถุนิยมนะถูกสอนให้การแข่งขันเสรีนะเด็กๆ ก, ก็ถูกใส่โปรแกรมเข้าไปเราก็ไปให้ความสำคัญทางวัตถุหนีไม่ได้ไมไม่หนีไม่ได้ความคิดนี้เราต้องอยู่กับมันแต่ว่าเราหลงมันนะจนบางครั้งเนี่ไม่ได้ดั่งใจนิดนึงเนี่ยลืมทุกอย่างลืมกระตันยูรู้คุณลืมบุญคุณคนนะตัดสินใจอารมณ์ชั่วคู่เพียงเพื่อจะชนะหรือแพ้ ว้าท่านธะเราถูกทำลายหมดนะถ้าคนไม่มีกระตันยูรู้คุณน่ะดิ้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งรัดนะไม่มีวันสำเร็จนะไม่มีความลับในโลกนี้เราโกหกคนอื่นได้เราโกหกจิตเราไม่ได้เมื่อจิตเรามีแล้วน่ะจิตที่เขาเหนือกว่าเขาลิงเขาเขามาขโมยข้อมูลเราได้นะว่าเราเป็นยังไงนะไอ้เรื่องนี้เนี่ยคนอื่นไม่รู้ฟ้ารูนะฟารู้ก็ ต้องฝึกมีกระตันอยู่รู้คุนคนนะวันพ่อนี่ก็เป็นวันเป็นอุบายวิธีให้เราเลิกถึงคุณของพ่อถ้าไ ม, ม่มีพ่อก็ไม่มีเราไม่มีแม่ก็ไม่มีเร า, เราที่เขาเปรียบเสมือนว่าพ่อแม่เนี่เปรียบเสมือนพระอรหันต์ของลูกแม้กระทั่งพระอรหันต์นะเพราะอะไรเพราะพ่อแม่รักเราแบบไม่มีอามิตรให้เราโดยไม่หวังอะไรเลยนะแต่บังเอิญพ่อแม่เนี่ยถ้าไม่ระวังเนี่ย สังเกตไม่ภาษาไทยเนี่ยเมื่อเช้านี้พ่อครูจิตพ่อครูถึงมาพิจารณาเรื่องนี้เองนะคำว่าพ่อเนี่ยพ่อหนักมากเพราะพ่อติดไม่เอกถ้าพ่อไม่เอกออกปุ๊บเนี่ก็พไปว่าพอแต่พ่อลักลูกไม่มีวันพอนะเพราะติดไม่เอกมันเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติพ่อก็ห่วงลูกนะพ่อสร้างลูกขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงลูกจนโต ไม่พอก็ยังห่วงอนาคตลูกอีกห่วงลูกไม่มีจะกินนะเพราะพ่ อ, พอมีไม้เอกมีภาระแม่ก็เหมือนกันถ้าเอาไม้เอกออกนี่แม่นะไม่เมียไ ม, ม่แม่เนี่ยไอสัตว์ทั้งหลายเนี่เขาเขาก็รักลูกตามอัตภาพออกลูกมาเขาก็ดูแลลูกเขาสุนัขนี่ดูแลลูกเขาใกล้ไม่ได้มันห่วงพอมันเลี้ยงโตมันก็วางได้แต่พ่อแม่มนุษย์เราถูกไม้เอกครอบไว ระวังไม่ลงก็ติดไม่เอกอีกเห็นไหมทุกวันนี้ที่เราทุกเพราะจิตเราไม่ว่างที่มันไม่ว่างเพราะมันติดไม่เอกอีกถ้าเราไม่เอกออกวางแล้วมันก็ว่างนะทุกคนมีไม่เอกนะเมื่อเช้าญาติธรรมาอยงเทศก็ไปลาพ่อกูเขาก็มีเหตุผลว่ามันเป็นหน้าที่ยังไงเรามีลูกต้องดูแลลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ต้องดูแลยังไม่แต่งงานลูกแต่งงานก็หลานยังไม่โตเนี่ยนะนี่คือข้ออ้างของกิเลสมนุษย์เพราะเราติดไม่เอก นะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการทำหน้าที่คือหนทางมุ่งสู่ความหลุดพ้นทุกคนต้องทำหน้าที่เรามีลูกต้องเลี้ยงลูกเขายังดูแลตัวเองไม่ได้เหมือนสุนัขอะ่ะออกลูกใหม่ๆไปใกล้ไม่ได้นะเขาห่วงมากนะเขาก็ดูแลลูกเขาตามหน้าที่แต่ไม่ใช่ภาละหน้าที่แต่มนุษย์เราเนี่ห่วงจนเป็นภาละแบกอยู่ตรงนั้นละ่ะแบกไม่เอกไม่ยอมวางนะถ้าพ่อนี่วางไม่เอกพ่อก็รู้จักพอ ลักก็ลักอยู่ในกรอบที่พอดีแต่ตอนนี้ลักจนกังวลห่วงใยเป็นภาระหน้าที่หนักอึ้งนะโดยเฉพาะทุกปีนี่พ่อครูก็ถูกอุปโลกในป่าแห่งนี้แล้วก็ต้องอุปโลกผู้ใดผู้หนึ่งที่เป็นผู้อวุโสนะเป็นผู้นาทางจิตวิญญาณที่ทุกคนเคารพนับถือเนี่ยก็อุปโลกเพื่อแล้ลึกถึงคุณของพ่อนะ คุณของพ่อเพื่อให้เราเตือนสติแล้วว่าอย่าลืมความกตัญญูรู้คุณกตัญญูรู้คุณเนี่ยนะต้องรู้คุณรู้โทษต้องรู้คุณรู้โทษอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเมื่อรู้แล้วไม่จบอยู่แค่นั้นนะก็ต้องมีกะตะเวทิตาจิตด้วยต้องสนองคุณไม่งั้นเราเป็นหนี้เขาตลอดชาตินะชาติหน้าเป็นหนี้อีกนะเมื่อเรารู้คุณแล้วเราต้องสนองคุณนะ เราจะสนองคุณพ่อหลวงของเราวันนี้เห็นไหมเขากำลังจัด อ, อะไรล่ะ buy for death อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อเป็นการกระตุ้นนะปลุกจิตสำนึกให้เรารู้คุณรู้คุณแผ่นดินเกิดเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆพ่อแม่ดูเราก็ช่างถ้าไม่มีแผ่นดินอยู่เนี่ยเราจะไปเลี้ยงบนอากาศก็ไม่ได้ไม่มีแผ่นดินเราก็ปลูกข้าวไม่ได้เห็นไม น้ำก็ไม่มีปลาก็ไม่มีนะทุกคนต้องมีกตัญญูรู้คุณแผ่นดินเกิดนะก็ทุกปีวันพ่อเนี่ยเรามีอุปโลกมากาพ่อเนะ่เพื่อผ่านไปถึงโน่นพ่อหลวงของเราพ่อโลกพ่อจั ก, กรวาลโดยเฉพาะพ่อใหญ่ที่สุด ข, ของเราคือพระพุทธเจ้านะ อิสลามเขาเนี่ยทำงานอะไรก็ช่างเขาจะหยุดละหมาดวันหนึ่งห้าครั้งาะถอยออกมาอยู่กับตัวเองนะมาปรับสมดุลทางอารมณ์ใหม่เขาไปทำงานต่อนะเป็นการเตือนสตินะวันพ่อวันแม่ทุกครั้งเนี่ยก็เป็นการเตือนสติวันที่วันเกิดเราเนี่ยบางคนฉลองนะเ ม, มาไม้กันตัดเค้กสนุกสนานกันแล้วก็เผลอเผลอเมาแล้วก็ไปทำในเรื่องที่ เรื่องที่มันเป็นบาปแทนที่จะสนองคุณพ่อแม่กลายเป็นเอาไปสร้างบาปนะวันที่เราเกิดเนี่ยเป็นวันที่แม่เนี่ยตายกับอยู่เนี่ยห้าเป็นวันที่แม่เจ็บปวดมากนะเราต้องอ้างวันเกิดของเราเนี่ยทำบุญทำความดีสนองคุณพ่อแม่นะแต่ตอนนี้เราอ้างวันเกิดวันตายก็ฉลองวันเกิดก็ฉลองฉลองกันไปหมดเลยมีแต่เรื่องกิเลสนะเป็นบาปนะ ก็โดยเฉพาะวันนี้คุณครูมาคบหน้านะครูนี่สำคัญมากครูคือคุลรผู้ประสาทวิชาเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้เอาแล้วก็พ่อครูต้องขอโทษย้อนหลังนะถ้าในทางโลกว่าพ่อครูไม่มีมารยาทนะมีอะไรไม่บอกลองหน้าก่อนเรียกประชุมใหญ่ปุ๊บก็เปลี่ยนการบริหารจัดการถ้าพวกเราไม่มีศรัทธาพ่อครูเป็นที่ตั้งเนี่ยเราจะน้อยใจเราจะเสียใจนะ อันนี้เราเข้าใจผิดแล้วถ้าเราเข้าใจพ่อคนนี้เนี่ยนะเขามานั่งอยู่ที่นี่26ปีเขาทำอะไรบ้างทุกวันนี้เรามีงานทำเรามีอะไรเรามีโอกาสได้สร้างบารมีดูแลลูกหลานเราเนี่เป็นอนาคตของชาติเนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วบางครั้งไม่ได้ดั่งใจหน่อยนึ่งก็ถอยมาดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะมีอารมณ์ต้องดับที่อารมณ์เราไม่ใช่ว่า น้อยใจใจะหนีมันเนี่ยนะเพราะว่าเออทําไมมันง่ายอย่างนี้คนทุกวันนี้เราลืมว่าเราโตขึ้นมาได้อย่างไรทุกวันนี้เราไม่อยู่มีกินเพราะยังไงนะเพราะแผ่นดินนี้ใช่ไหมก็แผ่นดินไงเราเปิดโรงเรียนนี้ก็ตั้งอยู่บนแผ่นนี้โรงเรียนนี้ไม่ได้เก็บสตังค์สักหน่อยยังไม่ได้มาหาไม่ได้มาค้าขายไม่หาผลประโยชน์นะเรามาเปิดมาเพื่อสร้างชาติเยาวชนเยาวชนคืออนาคตของชาติสร้างชาติสร้างเ ย, ยาวชนเยาวชน สำนึกตัวนี้เนี่ยหายไปไหนนะพระครูรู้นะจิตใครเป็นยังไงเังเอว่าพระครูบริสุทธิ์ไม่มีอคติกับใครทั้งนั้นพาะครูถึงกล้าทำในสิ่งที่คิดว่ามันเกิดประโยชน์บางอย่างในี่ช้าหนึ่งนาทีก็ไม่ได้มันหมายถึงความเสียหายหมายถึงอันตรายจะเกิดขึ้นในชีวิตของคนแล้วก็ในองค์กรนะพอเกิดอย่างนี้ขึ้นปุ๊บนี่เราก็ต้องฉุกคิดหน่อยเออมันเกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าเรามีศรัทธาเป็นเบื้องต้นเนี่ยเราจะไม่ได้คิดในทางลบทางน้อยใจทางอะไรเนี่ยเราต้องเอาไปคิดก่อนเออครูบาอาจารย์พ่อของเราตัดสินใจอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านมีนัยยะอะไรถ้าพวกคูมีอัคติแม้แต่น้อยนี่พ่อกูจะมานั่งอยู่ในป่านี่เฉยเฉยนี่26ปีพวกคูไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตอกไม่มีฝีมืออับเซตผิดหวังมามหนีอยู่ในป่านะพวกคูทํางานทํางานใหญ่ระ ด, ดับโลก นักวิชาการมาชนี่มาศึกษาพรอครูเราถามว่าพ่อครูมีกะจายจายจ่ายพ่อครูอะไรได้ที่ไหนมีไปติดเรื่องรายได้รายจ่ายมันไม่ใช่เรื่องการค้านะทำไมพรอครูต้องเสียสละขนาดนี้พรอครูบอกพ่อครูไม่โง่ที่จะไปเสียสละนะเป็นบ้าเหรอชีวิตเราทําเล่นได้ยังไงพ่ะครูมาทําในสิ่งที่ควรทําไม่มีใครจ้างพ่ะครูได้ไม่มีใครสั่งพรอครูได้พ่ะครูทําด้วยสํานึก แล้วพวกเราโตขึ้นได้ยังไงต้องไปคิดดีๆนะแต่ดหนึงน้อยใจดีใจเสียใจเนี่ยแสดงว่าที่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กจนโตเราไม่เข้าใจสิ่งที่พ่อครูทำถ้าเรามีบ้านเมืองเป็นที่ตั้งมีส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีลูกหลานเราเป็นอนาคตของชาติเนี่ยเรื่องอะไรก็ไม่สำคัญตำแหน่งไหนก็ไร้สาระบางคนมาพ่อครูตั้งให้วันนั้นดูแลอาคารสถานที่ ดูแลรถ ร, รับสนนักเรียนเนี่เป็นเรื่องของชีวิตเด็กนะต้องดีวกับเจ้าของรถบ่อยๆมันกินเหล้าเมายาหรือเปล่าสภาพรถยนต์ดีไหมถ้าเกิดอุบัติเหตุเป็นยังไงพอเสร็จแล้วเลิกประชุมบอกว่าพ่อครูให้เขาเป็นพานโงถ้าตำแหน่งนี้เป็นพานโงเนี่ยพ่อครูนี่เป็นพ่อพานโงในศูนี่พ่อครูทำหมดเลย26ปีเนี่ยใช้รถมาไม่รู้กี่คันแล้วเจ็ดปดคันนะไปวิ่งไปซื้อของ ไปสั่งของมาคุมงานก่อสร้างเนี่ยคนทุกวันนี้มันอ่อนแอมันเปราะบางมากคือให้ไม่ได้เราไม่รักชาติจริงๆริงมิตเตเบกะเสือก็สนจะหางานที่ดีกว่าก็คือว่างานที่ได้เงินมากกว่ามีหน้ามีตามากกว่าอันนี้ไร้สาระในแง่ชีวิตแล้วนี่ไม่ได้อะไรเลยไม่มีความภาคภูมิใจมิเตเอาเงินเป็นที่ตั้งถ้าพวกครูเอาเงินเป็นที่ตั้งใ น, นงพวกเราไม่มีโอกาสวันนี้ โรงเรียนนี้ไม่เกิดขึ้นศูนย์นี้ไม่เกิดขึ้นพ่อครกูก็เอาเงินพ่อครูเนี่ยไปเสพสุขไปอยู่ประเทศไหนทั่วโลกก็ได้ทําให้เห็นแต่ไม่เห็นเห็นไหมถ้ามีใจนะพ่อครกูก็ถอดใจเหมือนกันนะทอถอยเหมือนกันแต่บังเอิญว่าพ่อครูระเบิดใจทิ้งแล้วมันเหลือแค่จิตมีแต่ความเมตตาสงสารนะแต่เห็นแล้วว่าความเปราะบางของคนยุคนี้เนี่ยเปราะบางมากๆไม่มีคุณธรรม คุณธรรมคือคุณสมบัติตามธรรมชาติหมามันยังรู้หน้าที่มันเลยแมวอยู่ในหน้าที่เสืออยู่หน้าที่มันไม่เคยทำลายป่าเลยมันไม่เคยทำลายสิ่งแวดล้อมนะมันเป็นหน้าที่มันมีคุณธรรมมันมีคุณสมบัติตามธรรมชาติแล้วตอนนี้คุณธรรมพวกเราหายไปไหนหมดถูกไอความรู้ผิดมันครอบงำว่าถ้าได้เปรียบก็ดีได้ชนะก็ดีสนุกก็ดีคนอื่นช่างหัวมันนะ่คุณธรรมถูก ครอบงําด้วยความรู้ผิดไปหมดแล้วไม่มีสํานึกจริงๆแล้วทุกดวงจิตมีสํานึกอยู่แล้วมันถูกครอบงาด้วยความรู้ผิดกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่สําหรับพระครูเนี่ยคนที่เอาเปรียบคนอื่นนะเอาเปรียบองค์กรเนี่ยไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวพว่อครูมองคนแบบนี้คือคนโง่มีโอกาสสร้างบารมีแล้วไม่สร้างนะแล้วทําร้ายชีวิตตัวเองด้วยนะ เมื่อเราได้เปรียบเขาเนี่ยเราดีนะเราได้ม า, างไงคุณเอากิเลสมาใส่ตัวเองเนี่ยคุณกําลังเดินทางไปสู่นรกเนี่ยอันนี้คนโง่ไม่ใช่คนฉลาดนะคนฉลาดต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีโอกาสเนี่ยสร้างบา ร, รมีเห็นไหมลูกหลานนั่งอยู่นี่ทนโทษทั้งหน้องเรียนเราเกือบ800รอกว่าคนไงเนี่ยนี่คือบุญทั้งนั้นเลยกองบุญอยู่ข้างหน้าไม่เอากูจะหนีไปหาบุญที่อื่นไปหาเงินก่อนค่อย ค่อยคอยแบ่งเศษเงินนะไปซื้อบุญ น, นั้นไร้าสาระไม่ต้องมีเงินก็ทำบุญได้ทำบุญทุกวันเห็นหถ้าไม่มีปัญหาเราเร า, เราจะทำงานยังไงการทำงานคือการแก้ปัญหายิ่งปัญหาเยอะนะ่ะยิ่งท้าทายทำให้เราได้ได้ทำหน้าที่ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยหมดไปนั่งแป้นเฉยๆนะ่ะเสียชาติเกิด น, นะ เราต้องดูก่อนว่าพ่อผู้ใหญ่เขาทำอะไรพุดหนี่ต้องไปนั่งพิจารณาเออเกิดอะไรขึ้นนะบางคนมีแต่อยากนู่นอยากเป็นนี่พอให้เป็นแล้วก็ไม่ทำถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของพ่อครูเนี่ยนะไม่เป็นไรหรอกนะชอบแค่นี้ก็แค่นี้ไม่ต้องทุกข์ก็ดีแล้วแต่ตอนนี้เรื่องโรงเรียนไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องขององค์กรเรื่องหลายชีวิตหลายชีวิตมาต้องอาศัยเราเป็นเรื่องของอนาคตของชาติด้วยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เราต้องมีสํานึกถ้าเรารักชาติจริงๆเราต้องมีสํานึกไม่มีเงินเดือนก็ทําไม่ใช่ว่าไปหาเงินเดือนมากกว่าไปทําอย่างอื่นเงินมากกว่าเพราะครูหนีมันมาแล้วไอ้เงินมากๆเนี่ยมันมันไม่ใช่ความสุขมันไม่ใช่ความพึงพอใจมันเป็นกิเลสมันเป็นกองทุกข์นะตอนนี้ถ้าเราไม่ระวังนะหลายปีมาพ่อครูไม่ค่อยมีเวลานะ เผลอปุ๊บหนึ่งมองมาโรงเรียนเราพัฒนายังไงวัตถุนี่เต็มเลยไอเ้เศษเหล็กจอดคนละคันคนละคันแล้วก็ต้องหาเงินไปจ่ายผ่อนส่งหาน้มันเลี้ยงมันทีนี้ก็ต้องคิดเอาเวลาไปคิดเรื่องจะแก้ปัญหาหนี้สินแล้วเพราะครูเคยถามว่าไหวไหมเออถ้าไหวก็ทำถ้าเป็นความสุขนิดน้อยแต่ทีนี้พอมันมีรถแล้วนี่มันก็ต้องหาเรื่องไปเที่ยวไงมีมือถือแล้วก็ต้องหาเรื่อ ง, ชงใช้ไงใช่ไมล่ะ พองว่างปุ๊บรีไปกินข้าวกันไปถ่ายรูปให้ให้เพื่อนดูว่าฉันกินอะไรนอนไม่หลับก็บอกว่าฉันเหงาเปิดกระโปรงให้เขาดูเลยคนโบราณเขาบอกว่าอย่าชักศึกเข้าบ้านอันนี้นี่ไปเผยไตยหมดเลยเนี่ยลบสิบครั้งแพ้สิบครั้งคนยุคนี้เป็นอย่างนี้ไงเอาใจใจตัวเองนะ ถึงเราจะชอบกินเหล้าแล้วมีความทุกข์กกินเหล้ามาแล้วสมัยก่อนลูกน้องไม่กล้ากินกับเพื่อครูนะเลิกงานมันรีบกลับเลยบอกมึงอย่าเพิ่งกลับนะกินแบบคานเลยนะแต่ตอนนี้เรามีสํานึกแล้วถึงเราจะอยากกินกับช่างแต่ถ้าเรากินเหล้าแล้วมันกระทบองค์กรกระทบภาพพจนองค์กรหรือเราจะแยกได้ไหมว่าตอนนี้ฉันเป็นครูฉันถอดชุดครูออกกลับไปบ้านฉันไม่เป็นครูแล้วฉันกินเหล้าเมาไห ม, ม, มไม่เกี่ยวกับครูเนี่ย แยกได้ไหมสังคมเขาจะมองยังไงไอ้ น, นี้ครูโรงเรียนนั้นครูโรงเรียนนี้นะคุณจะแต่งชุดอะไรก็ช่างคุณก็หนีไม่พ้นความเป็นครูไงอันนี้ไม่ใช่เห็นคนเห็นแก่ตัวนะอันนี้คือคนโง่มันทําร้ายองค์กรทําร้ายตัวเองไม่พอเนี่ยมีโอกาสสร้างองค์กรมีโอกาสสร้างบ้านแปลงเมืองนะไม่ช่วยกันนะอันนี้ก่อนที่พ่อครูจะทําอะไรเนี่ยพ่อครูไม่ทําอะไรมโง่นะ พระครูทำเพื่อส่วนรวมทั้งหมดไม่มีอคติกับใครนะบางคนอคติคืออะไรอคติสี่นะ 4, นะเราตัดสินใจเพราะเราชอบเราตัดสินใจเพราะเราไม่ชอบเราตัดสินใจเพราะเรากลัวเราตัดสินใจเพราะเราโกรธตัดสินใจตามอารมณ์นั้นคืออคติโอ้บางทีชอบชอบมันผิดแค่ไหนก็ช่างไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นแหละคืออคติ ไม่อไม่ตัดสินใจตามความเป็นจริงว่าอะไรที่มันเกิดประโยชน์ต่อองค์กรส่วนรวมอันนี้ก็เตือนถือว่าถือถือโอกาสวันพ่อพ่อมีหน้าที่สอนลูกชี้ทางให้ลูกนะนอกจากพ่อที่ไม่ใช่พ่อนะอันนั้นเป็นเรื่องของเปรตอสุรกายอยู่ในร่างพ่ออันนั้นไม่ได้เรียกว่าพ่อถ้าพ่อจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครฆ่าลูกนะ แต่บังเอิญพ่อทุกวันนี้เนี่ยมันติดไม่เอกทับอยู่เนี่ยมันไม่มีคําว่าพอเนี่ยบางทีรักลูกแบบรักไม่ถูกทางอยากให้ลูกเราชนะเขาอยากให้ลูกเรานี่เก่งกว่าเขาอยากให้ลูกรวยกว่าเขาพ่อก็ทุกตลอดชีวิตลูกมันก็ทุกด้วยเพราะรักแบบรักลูกไม่ถูกทางนะเราเป็นครูบาอาจารย์นะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่นะเวลาเขามาอยู่โรงเรียนเราเนี่ยเราก็เป็นอุปโลกนว่าเราเป็นพ่อแม่เขา เรามีหน้าที่ดูแลลูกหลานเรานะบังเอิญพ่อครูก็ทำตามกำลังที่พ่อครูมีนะอย่าปล่อยเวลามันผ่านไปแม้แต่หนึ่งนาทีนะเสียเวลาชีวิตเสียชาติเกิดนะไม่ใช่ตั้งใจทากับครูคนไหนไม่ใช่บางทีเราเก่งเรื่องเชื่อมใช่ั้ยเราเป็นช่างเชื่อมแต่ตอนนี้เราทำงานไม้อะ เราก็ต้องเลือกเอาคนที่เขาทำงานมาให้เขาทำไม่ใช่ว่ามึงเป็นเจ้านายมีลูกน้องไม่มีทุกคนเท่ากันแต่ว่าตาแหน่งหน้าที่เนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยต้องเลือกไอ้ที่มันเหมาะกับสมควรกับใครไม่ใช่อยากเป็นอยากเป็นแล้วไม่พัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่เป็นเนี่ยแล้วก็อันนั้นน่ะหลงลวติดหัวโขนเป็นอัตตานะที่เรามีตําแหน่งเรามีหน้าที่เรามีอำนาจเพื่อจะใช้อานาจนันไปทาประโยชน์ให้องค์กร น, นั้นอันนั้นหละ มีตำแหน่งมีหน้าที่มีประโยชน์แต่ถ้าไปรักษาตำแหน่งหน้าที่แล้วก็ไม่ทำอะไรเลยทำให้องค์กรเสียหา ย, ยานั่นถ้าเป็นพวกครูพวกครูคใช้คำว่าไอา้เนาะแล้วทำไมต้องเอาลูกหลานดือด้อเหล่านี้เนี่ยมาเป็นพาระเราดื้อไหมคนนี้ดื้อไหมดื้อไหมลูกฟังจนเพลินเลยไม่เป็นหูหนวกกันเนาะไหม เราเอาลิงเอาไก่เอาหมูเอาหมาไอาแมวเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเราจะใช้ภาษาเดียวกันไม่ได้นะคุยกับลิงก็ใช้ภาษาลิงคุยภาษาไก่ท้ายไก่เราต้องเข้าใจเขาก่อนไม่ใช่เอาภาษาเสือเนี่ยไปขู่มันก็วิ่งหนีหมดนะถ้าเรารักเขาจริงๆเราต้องรู้ว่าเนี่ยเราต้องไปเรียนภาษาเขาไม่พยายามให้เด็กเนี่ยเข้าใจเรานะเราไม่พยายามเข้าใจเด็กเลยนะ ถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยเราจะคุยกันรู้เรื่องแต่ทุกวันนี้เราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งทุกคนเราจะเป็นที่ตั้งมีธงของตัวเองแล้วอยากให้คนอื่นเข้าใจเราอยากให้คนอื่นเนี่ยเชื่อเราเราไม่เคยเปิดจิตเรียนรู้คนอื่นเลยโดยเฉพาะเราเป็นครูบาอาจารย์ทำอย่างนั้นไม่ได้นะครูบาอาจารย์เนี่ยถ้ามีสํานึกแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าเรามีลูกหลายคนแต่เราคนนิสัยอย่างไรคนคนนี้ควรจะภาษายภาษาอะไรคนนี้ภาษาอะไรนะ ถ้าเราใส่ใจเราจะรู้หมดเลยเด็กในห้องเราเนี่ยมีกี่จริตมีกี่อย่างถ้าเรารักมันเราก็เอาเวลาไปเรียนรู้มันแต่ตอนนี้เราไม่รักมันเราลักตัวเองมากกว่าอสอนสอนสอนธุระไม่ใช่ฉันก็จบแล้วนั่นแหะเราเองไม่ก้าวหน้าเราเองไม่แตกฉานการทํางานใหญ่เนี่ยนะมันต้องใส่ใจทุกๆอนุใส่ใจทุกๆอนุ แล้วเราจะมีข้อมูลดิบก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรเราจะตัดสินใจตามความเป็นจริงและเราจะเห็นตามความเป็นจริงแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจเลยเนี่ยนะเออหน้าที่ฉันมีแค่นี้เราลืมว่าหน้าที่เราคืออะไรเราไม่ใช่มีหน้าที่มากวาดสารานี้นะสารามันก็อยู่ของมันทุกวันเนี่ยแล้วก็หลับตากวาดก็ได้เราชนานาญแล้วเราอยู่กับเด็กเด็กมันมีอารมณ์มันเคลื่อนไหวได้ แล้วบางทีตอนเช้ามันอารมณ์อย่างหนึ่งพอตอนบ่ายมันถูกลังแกก็อารมณ์อย่างหนึ่งเห็นไหมมันไม่เหมือนเราไปล้างห้องส้วมห้องน้ำนะเราอยู่กับคนน่ะถ้าเราไม่ใส่ใจจริงๆเนี่เราจะไม่รู้เท่าทันอารมณ์นั้นและเราจะตัดสินตามอาคติของเราตัดสินตามความชอบไม่ชอบของเรานะทุกคนต้องอย่างน้นอยๆเราก็มีโอกาสมาสัมผัสนะ ปกติแล้วปีหนึ่งคุณคูมาเข้าค่ายแค่ครั้งหนึ่งตอนนี้บอกไม่ได้เพราะครูบอกต่อไปต้องเทอมหนึ่งครั้งหนึ่งเทิมหนึ่งครั้งหนึ่งไม่ได้ถ้าครูคนไหนเครียดมากปุ๊บนี่ผู้บริหารมีใบปะหน้าส่งมาเข้าค่ายพิเศษเดี๋ยวพวอครูจะสอนพิเศษเนาะให้กินดีอยู่ดีพระแคททำอาหารสมบูรณ์กินดีอยู่ดีแล้วก็สอนพิเศษนะ เออให้นั่งกรรมาฐานถึงสว่างไม่ต้องนอนคนพิเศษต้องทําอะไรพิเศษไงนะถ้าใครอยากกินเหล้านะมาที่นี่เดี๋ยวพวกครูจะเลี้ยงเหล้าใส่ในองค์ให้กินเนี่ยไม่หมดมึงจะหยุดนะเป็นอย่างนี้จริงๆริงไม่งั้นเราปราบกิเลสเราไม่ได้อะนะเนี่ยพอให้อิสระแล้วเราก็ไม่อิสระเราก็คุมตัวเองไม่ได้ไงเมื่อคุมตัวเองไม่ได้เราก็ให้องค์กรหรือว่าให้ศิลวินัยเขามาช่วยคุมเราไง ทุกคนต้องยอมรับถ้าเราไม่ยอมรับตัวนี้เนี่ยเราจะไม่มีวันเจริญก้าวหน้าทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องการงานนะทั้งเรื่องสงังคมนะพวกเราเคยคิดไหมคุณครูนั่งอยู่ที่นี่น่ถ้าพระครูไม่เอ่ยก่อนลูกหลานเราม .5 แล้วปีหน้ามันขึ้นม .6 เราเคยคิดไหมว่าต่อไปมันจบม .6 แล้วมันจะไปไหนมีไหมพ่อครูมาดูยังช้าเกินไปเลยนะ หลังจากพ่อครูมีศูนย์จิตใจศูนย์สมองศูนย์ปากท้องศูนย์จิตใจหนุนก็ลามไปเปิดกรุงเทพอีกก็แว บ, บไปกรุงเทพอะไรต่อไพอมาดูศูนย์สมองเราเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ทำอะไรกันอยู่แล้วเตรียมอะไรให้ลูกหลานเราบ้างเห็นไหมพิจารณาปุ๊บพ่อครูเรียกประชุมใหญ่เลยเหลือเวลาหนึ่งวันถึงจะมีความหวังนีปรีเราก็ต้องทาอยู่ดึงเข้ามา ดึงพี่หมวยพี่พลออะไรเข้ามาดึงพวกนี้เข้ามาทําไมมันไม่มีเวลาแล้วถ้าปีหน้าจบมหกปุ๊บลูกหลานเรามันไมไ่ไปต่ออะไรเลยเนี่ยมันคือประกาศยังไงรู้ไหมโรงเรียนนี้เรียนไม่ประโยชน์หรอกมันก้าวต่อไปไม่ได้เขาจะมาเรียนโรงเรียนเราทําไมเพราะคูไม่ได้แคร์นะปิดโรงเรียนเพราะคูยิ่งสบายนะไม่ต้องไปแบกรับภาระแต่ลูกหลานเราเนี่ยในโซนนี้เขาก็พลาดโอกาส อย่างน้น้อยอยู่โรงเรียนเราเนี่ยเราเน้นเรื่องคุณธรรมเรื่องความปลอดภัยนะความเก่งเราก็ไม่ได้นเน้นหรอกที่ผ่านมาพวกไม่ไม่ได้เน้นนะแต่ขอให้มีสำนึกรับผิดชอบตัวเองกับสังคมนะทีนี้คนทางโลกผู้ปกครองเขาก็ยังมีอนาคตอยู่ไงถ้าไม่มีอนาคตเ้าไม่ต้องมาเรียนหรอกไปเป็นเกรรษตรกรปลูกต้นไม้เลี้ยงครอบครัวก็อยู่ได้แล้วไงสมมติอย่างนี้นะ ที่เขามาเรียนเพราะก็อยางหวังว่าเออถ้าลูกเขาเรียนได้เขาอยางหวังมีอนาคตใช่ไหมเขาจะมาเรียนกับเราทำไมถ้าเกิดว่ามันจบแล้วมันไปต่อไม่ได้เนี่ยชี้ให้คุณดูคุณครูก็เพลินทำหน้าที่อยู่นะผู้บริหารก็เพลินทำตามความเคยชินอยู่แต่ไม่ช่วยเด็กคิดไงกลายเป็นว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับปวดท้องอะไรก็ ต้องให้พ่อครูช่วยคิดเคยรักพ่อครูไมมแต่นิดหนึ่งไหมเคยไหมถ้ารักพ่อครูเคยคิดว่าจะพ่อครูเนี่ยกลัวพ่อครูจะเหนื่อยมากไหมแค่ไม่ถูกใจนิดนิดหนึน่หน่อยอู้ทอดใจแล้วนะจะไปไหนบอกนะเดี๋ยวพ่อครูขับรถไปส่งด้วยไม่เป็นไรนะคือคือนี่ก็รักไงสงสารไง ถึงอุมชูมาถึงขนาดนี้ชี้ทางให้แล้วก็ดูแลทุกสุขแต่สำนึกเรามันรู้หายไปไหนนะตอนนี้คนทุกวันนี้เนี่เปราะบางมากถูกความคิดแบบวัตถุนิยมครอบไวเอาแต่เรื่องผลประโยชน์เป็นที่ตั้งตัวนั้นได้มากกว่าได้น้อยกว่าแล้วมันจะเป็นไหนล่ะนะคุณครูนี่ที่พูดมาเนี่ยไม่มีคนชั่วสักคนหนึ่งหรอกครูพรลานคอยเนี่ยคนดีหมดดีมากดีน้อยเท่านั้นเอง ตอนเราเคยปีหนึ่งเราเข้าค่ายคำขวัญเราคืออะไรพี่นุ้ยคำขวัญคืออะไรตอนเข้าค่ายต้องดีกว่าเก่าใช่ไหมต้องดีกว่าเก่าต้องดีกว่าเก่าต้องดีที่สุดต้องดีกว่าเก่าแล้วเราเราดีกว่าเก่าไหมหรือเท่าเก่าก็ดีเท่าเก่าแต่สังคมมันเปลี่ยนใหม่การแข่งขันยุ่ยแย่งมันมากกว่าเก่าใช่ไหม สมัยก่อนเราเรียนแบบกศนอเออเราเฮยเราก็ไปจบครูมาได้ไงวันนั้นถึงถามว่าครูภยัยจบปริญญาโทมาได้ยังไงพวกนี้จบได้ยังไงเพราะสมัยก่อนไม่ต้องแข่งไงไปเรียนไปสมัครเขาก็เอาหมดเลยเพราะว่าเขาต้องการคนไงแต่ตอนนี้ไปสมัครเรียนครูนี่สมัครห้0 0ัคนมันเอา400รอเนี่ยถ้าเกิดเราไม่พัฒนาเราดีกว่าเก่าเนี่ยลูกหลานเรามันจะเรียนได้ไหมมันไม่เหมือนเก่านะ เนี่ยถ้าเราใส่ใจลูกหลานเรารักประเทศเราจริงๆเนี่ยเห็นไหมพ่อคูรักชาตินะจริงๆแล้วเนี่ยพวกคูไม่ได้กินเงินเดือนใครอยู่ที่บ้านก็ยังไปมองอยู่บ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย <Hey, S 2> มันจะเป็นอาเซียนแล้วไงหลายปีก่อนพ่อคูเข้าไปในเมืองเขาบอกเซนท่านมาสร้างตรงนั้นสร้างสร้าง ส, างสางแล้วก็ขับรถไปอ้อมดูเออบลมีอะไรเหรอเจอแร่ทองคําใช่ไหมเจอบ่อน้ํามันใช่ไหมมีเศรษฐกิจใหม่ไหม ไม่มีอะไรเลยแล้วมันมาสร้างทำไมสร้างอรอลับอาเซียนไงแล้วทำท่านะอีกเดือนเดียวนะที่เราจะเข้าอาเซียนเนี่ยทำท่าจะไม่สมเร็จแล้วถ้าอาเซียนล่มเมื่อไหร่เนี่ยเกิดฟองสบู่ลูกโตเลยละ่ะเจ๊งหมดเอาเงินอนาคตมาใช้ไงอันนั้นพวกเขาก็เห็นอนาคตเขาจะทำเพื่อรองอนาคตมายึดพื้นที่ก่อน เพราะตรงนี้มันชายแดนแต่ถ้าค้าขายทั่วไปเมืองอุบลเนี่ยเป็นอยู่ในเมืองในหลืบนะไม่มีท่าเรือในหลืบนะอาศัยแต่พืชไร่ราคาต่ำๆเนี่ยมันไม่มีเศรษฐกิจอะไรแต่ตอนนี้อยู่ๆบูมบามบูมบามซื้อดินขายดินโอ้ขายข้องเดี๋ยวก็โดนปี40ก็โดนมาแล้วโอเคถ้ามันเปิดสำเร็จถ้ามันเปิดสำเร็จนะเรื่องนี้เมื่อวานพกกูเกิเกิที่โรงเรียนแล้วว่า ถ้ามันเปิดสำเร็จตอนนี้ยังไม่เปิดนะตอนนี้เห็นไหมหลายประเทศมาซื้อที่ดินเมืองไทยหรือว่าคนไทยเองเนี่ยชายแดนทั้งหมดฉันเหมาหมดเลยแม้กระทั่งประเทศลาวประเทศลาวเป็นประเทศเดียวในในโซนนี้ไม่มีทะเลอยู่ในหลืบจริงๆแต่คำว่าอาเซียนมันก็เข้าไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วพวกเราอยู่ในศูนย์เห็นหมมีสตรีของท่านเนี่ยมาจากหลวงพบาง กับลูกสาวคนหนึ่งคนพี่สาวนั่นมาจากลสัลสเวกัสอเมริกามาพาคนน้องอยู่หลวงพะบางเพราะคนพี่สาวเนี่ยฟังยูทูพระครูมาหลายปีมาปฏิบัติธรรมที่นี่พระครูก็บอกว่าเออเพระครูเคยไปหลวงพบางนะเป็นเมืองที่สงบนะพระครูชอบชอบตื่นเช้ามาเนี่ยพระภิกษุสามเณรเนี่ย เป็นร e, e ้อยร้อยยหลายร้อยรูปเนี่ยเดินบินทบาตคนทั่วโลกไปที่นวนตื่นเช้ามาเขาก็มีแม่ค้าขายข้าวเหนียวนะใส่บาทเป็นภาพที่ดูแล้วเย็นตาแต่สตรีคนนี้บอกพระคูว่ามันไม่เหมือนเก่าแล้วอาเซียนไง <laughs> <laughs> เขาบีหน้าที่ทำร้านเสริมสวยร้านเสริมสวยนี่เสียงน้อยมากใช่ไมเห็นไหม <laughs> ร้านตัดผมนี่แค่ทำเป็นแล้วนี่ลงทุนทีเดียวก็ได้ไงแต่เขาบอกตอนนี้คนไปเที่ยวมากขึ้นแต่เขาอยู่ไม่ได้พวกครูถามว่าทำไมเขาบอกคนจีนก็มาเปิดเวียดนามก็มาเปิดเขาเก่งกว่าเราเทคโนโลยีเขามากกว่าเราล้านสวยกว่าเราแล้วก็เมื่อคนมาเที่ยวเยอะเนี่ยค่าครองชีพมันสูงขึ้นค่าเช่ามากกว่าเก่าเขาทำไปไม่ได้ แล้วพวกเรานี่ทําอะไรอยู่พวกเราลองรับอาเซียนหรือยังโอ้ไม่เป็นไรฉันไม่อยากเด้งก็ได้ฉันเป็นเกษตรกรเนี่ยฉันก็อยู่ได้เนี่ยอยู่ได้จริงเหรอถ้ามันเปิดเสรีนะพืชไร่เกษตรเราตอนนี้ก็ไม่มีราคาจะตายกันหมดแล้วถ้ามันยังเปิดเนี่ยเขาถูกกว่าเราอีกค่าแรงงานเขาก็ถูกกว่าเราอีก ก, กรรมกรเราก็อยู่ไม่ได้นะถ้าเราอยู่แบบนี้เราเคยคิดเรื่องนี้ไหม เราเคยรักชาติไหมพ่อครูรักชาติทุกวันทําหน้าที่สร้างชาติทุกวันเด็กๆ เ, เหล่านี้เนี่ยไม่รู้ลูกใครลูกใครมาอยู่กับเราเห็นไหมแม่ชีก็ดูแลนะเออเทอมแรกไม่ชีเดี้ยงหมดเลยนะนะแต่เนื่องจากเราอดทนเนี่ยแม่ชีก็ได้ฝึกตัวเองให้เข้มแข็งขึ้น มาเรียนรู้กับเด็กเด็กเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่นะเขาเป็นกระจกส่องให้เห็นอารมณ์เราเขาเป็นอาจารย์ใหญ่อย่างยิ่งไม่ใช่มาปฏิบัติวางตัววางฟอร์มขังเดินแบบสำรวมนะแต่พอไปเจอเด็กมันวีดนิดนึงนี่วีดมันเลยเนี่อันนั้นไล้สาระอันนั้นคือสร้างภาพนี่คือการปฏิบัติธรรมทานศีลภาวนาการให้นี่เป็นการปฏิบัติธรรม นะเนี่ยไปสู้เวทีจริงเลยนะเขาคืออนาคตของชาติก็มันดื้อไงก็มันไม่ดีไงก็มันไม่เก่งไงเราจึงมีหน้าที่ทําให้มันหายดื้อทำให้มันเก่งทําให้มันดีไงเป็นหน้าที่เราไงถ้าเราไม่ทำปุ๊บอนาคตประเทศเราก็ประเทศดื้อประเทศไม่ดีใช่ไมล่ะ ก็เด็กเป็นยังไงประเทศเราก็เป็นอย่างนั้นไงออถ้าไม่มีสิ่งนี้เราจะทําหน้าที่กับใครนะไม่ไม่ได้เสียแซงนะเพราะครูไม่โง่ที่จะมาเสียสละนะชีวิตทําเล่นไม่ได้เพราะครูมาทําในสิ่งที่มันควรทำเพราะครูซื่อสัตย์กับผู้เจ้ามากไม่ใช่ไ่ว่ยิย้ยวเฉยๆมีแต่ขอเลขสามตัวนั่นอันนั้นบาปนะหาว่าผู้เจ้าเป็นสิ่งศักดินะ์สิทธิ์นั่นผู้เจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทาให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้พระองค์ยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรากราบไหว้ในฐานะครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบไหว้เตือนสติเราให้มุ่งมั่นจเจริญรอยตาวพื่อตามพระองค์26ปีพรอครูไม่เคยหลุดเลยคําสอนพระริเจ้าพ่อครูซื่อสัตย์ต่อพระองค์ไม่ใช่ไปสร้างภาพนั่นกันนะไม่ใช่ชีวิตทําเล่นไม่ได้นะพรอครูจึงไม่เสียสละ เพราะครูทำในสิ่งที่ควรทำการให้ทานเป็นหน้าที่เรานะอันนี้ถ้าคุณครูเนี่ยซึมคับตรงนี้เนี่ยคุณครูมีประโยชน์ต่อประเทศชาติมากเพราะคุณครูมีหน้าที่ถ่ายทอดนะก็ถือโอกาสชี้แจงคุณครูวันนี้บังเอิญว่าจากวันนี้ถึงวันที่17เจ็ดคุณครูต้องเดินทางไปไปกรุงเทพไปดูงานโรงเรียนกรพิทักษ์นะ พ่อครูก็มีแะบอกครูขี่เช็คดูนะครูคนไหนยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินเนี่ยเตรียมยาเมาขึ้นเครื่องบินไปด้วยนะอันนี้ไม่เป็นไรมันไม่ได้เมาขนาดนั้นนี่เพื่อนะและอีกไม่กี่วันดกรก้อยก็โทรมาโทรมาบอกวันหนึ่งไม่พอขอวันครึ่งพ่อครัวันครึ่งยังไงมันมีเวลาจํากัดแกบอกว่าอีกครึ่งวันก็คือว่า จากเช้าจนถึงหกโมเงเย็นไม่พอเอาไปถึงสี่ทุ่มาะคูว่าก้อยไม่เหนื่อยแล้วแล้วควรูยังไงไม่เห็นไหมเขาให้เขาไม่เหนื่อยเลยเขาบอกว่าเวลาไม่พอด้วยแล้วโทรมาอีกว่าวันครึ่งไม่พอต้องสองวันพรุ่งนี้เช้าอีกครึ่งวันนี่ไม่ต้องไปเที่ยวหรอกไอ้ตลาดนะั้ำตลาดเนื้น่มันขายของอะไรไม่มีอะไรก็อบอกว่าขออีกครึ่งวันเห็นไหมคนที่เขาให้เนี่ยเราไปกวนเขานะคุณครูเตรียมอะไรหรือ ย, อยังว่าจะไปหรือ ยังไม่เตรียมเลยใช่ไหมแต่เขาเตรียมแล้วไงพวกกูอะไรจะป่านนั้น <c oughs> ดูเขาถึงสําเร็จไงให้คุณครูไปดูของเขาครอบครัวนี้เนี่ยจิตวิญญาณก็คือโรงเรียนบ้านเขาอยู่ในโรงเรียนเลยตั้งแต่รุ่นพ่อมาเนี่ยไปดูนะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยพวกครูเห็นโรงเรียนเขาพวกครูเห็นจิตเขาเลยว่าเขาไม่ใช่คนมีแต่เอานะ เขาสร้างโรงเรียนประดิษฐ์ประดอยสร้างอย่างกับดิสนีย์เวิลด์น่มีสวนน้ำมีสะวายน้ำมีอะไรหมายถึงว่าแล้วเขาเก็บในเลขนี้ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะเด็กเขาถึงมากที่สุดในกรุงเทพไหกพันเคนครู500อยไปดูไปเรียนรู้กับคนรู้จริงๆเนะ่เขาทำจริงๆไอเราทำยยายกหยกแยกๆแล้วไปหลงว่าเราทำเยอะแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะหลงตัวเองเราจะแก่ไปวันหนึ่งเฉยๆคุณครูเสประโยชน์นะ โรงเรียนนี้แค่ทำไม่ได้ปุ๊บเราก็ปิดไงเพราะครูได้ประโยชน์นะเวลาปิดโรงเรียนนะพ่อครูจะไม่ต้องเหนื่อยไงแต่พ่อครูยินดีเหนื่อยเพราะพะ่อครูรักชาติไงนะไปดูหน่อย open mind เบิกเนตนะเรียนรู้ภาษาเบิกเนตกับพระพุทธเจ้าหน่อยหนึ่งใช่ไหมไปดูว่าเขาทำยังไงไม่ใช่มันฟุกนะนะพาะครูไปเห็นนะพรอครูว่าเออ ค, ค, ค, คีีเอาครูไปดูงาน กรูอ้อยเขาก็งงอีกเขาเอาครูเข้ามาดูงานที่ศูนย์พลราน่อยพระรานคอยไปดูงานอะไรกับเขาเห็นไหมเขาก็โทรมาถามอีกตั้งแต่วันแรกที่เขารู้ว่าจะส่งครูที่นี่ไปเนี่ยเขาไม่ได้หยุดเลยนะคิดได้ปุ๊บเปลี่ยนมาปุ๊บพอครูอ้อยมาดูเด็กประจำนี่นะหลังจากมาสอบปุ๊บสอบอารมณ์ปุ๊บเฮ้ยภาษาไทยเราอ่อนมากเลย พูบอกครูก้อยแกบอกเดี๋ยวจัดให้เห็นไหมคนที่เขาให้ได้อะโปรแกรมบางแม้แล้วเปลี่ยนอีกตอนนี้เขาบอกส่งรายชื่อครูเราเนะคนไหนเรียนห้องไหนห้องไหนเนี่ยเขาจะมีเลขาเดินตามเราไปเลยนะหมายถึงเขาประกบเราวันบายวันวันหนึ่งตอนหนึ่งเลยนะคุณครูคีได้ยินคํานี้บอกว่าเฮ้ยยากแก้เมาไม่พอแล้วต้องเอายาแก้เครียดไปด้วย แกถามพรอครูว่ะแกงงว่าเอาครูไปดูอะไรพ่อครูบอกว่าครูของครูก้อยนั่นตึงเกินไปเครียดเกินไปถึงเอาเวอร์ชันนี้ไปคลายความเครียดแต่ครูของพ่อครูเนี่ยมันหย่อนเกินไปไปเติมน้ํามันให้หน่อยตอนนี้เขาโทรบอกว่าเขาเตรียมน้ํามันไว้เรียบร้อยแล้ะคุณครูระวังนะเขาจะลาดหัวเราเลยนะจุดไฟเผาต่างหากนี่เราไปประจน l ภัยนะ เราไปประจนภยัยครั้งใหญ่เลยพวกครูว่าอะไรกันนักหนานะมาต่อรองเราอีกว่าวันหนึ่งไม่พอต้องวันครึ่งพอให้วันครึ่งแล้วไม่พออีกแถมอยูครึ่งวันบอกไม่ต้องไปเที่ยวหรอกก็บอกอย่างนี้เราเห็นความตั้งใจของทางโน้นนะล้วก็บอกว่าอา้อาวๆนะไม่ต้องเสียศรัทธาบอกครูก้อยเอาเลยแค่ราดนละมันเฉยๆมันต้องจุดไฟนะเดี๋ยวพอกวูจะไม่มีครูสอนเด็กนะ ไปดูเขาลูกไปดูเขานะาะพิกอัพเราหน่อยหนึ่งเราได้ประโยชน์นะเราได้ประโยชน์ในตัวเราได้ประโยชน์เราจะมีวินัยมากขึ้นอัพตัวเองบ่อยๆเพราะโลกทุกวันนี้เออเราเหยไม่ได้นะเราต้องอัพเพราะครูใช้มือถือไม่เป็นแต่พาะครูอัพตลอดนะหาข้อมูลแก้วแก้วแก้วแก้วแก้วหามาให้พ่อครูเนะี่ยแต่พ่อครูเป็นคนตัดสินใจนะพ่กครูทันสมัยมาก เนี่ยพ่อคูเห็นพ่อกูแต่งตัวแบบไี่อยู่ในป่านะเป็นทาสานมือถือก็กดไม่เป็นเนี่ยเมื่อวันก่อนหลบไปกรุงเทพคนเดียวนะเพราะว่าเรากำลังไปเตรียมไอ้ศูนย์ศูนย์ปฏิบัติกายกายจิตเราแห่งใหม่ส่งคูโก้เอาชุดช่างเราไปนะพ่อคูก็บินตามไปเห็นไอ้แก้วก็เอามือถือไอ้ก้อนเล็กๆนะเขาต้องจดให้พ่อคูนะ พอเสียงดังปุ๊บกดเบอร์นี้หลายปีก่อนเข้าไปในเมืองก็เขียนไปแล้วก็สุดท้ายก็ลืมไงตอนนี้ก็เขียนใหม่กดเบอร์นี้ถ้าฉุกเฉินปุ๊บนี่กดหาเบอร์แก้วกดเบอร์นี้แล้วกดเบอร์สองก็พรมันตั้งไว้เรียบร้อยนะขนาดที่ยังกดไม่ถูกเลยบอกแก้วไม่เป็นไรจดเบอร์แก้วมานั่นแหละเดี๋ยวพ่อครูโทรไม่เป็นเหตุเจอใครพ่อครูช่วยโทรให้ผมหน่อยพ่อครูทันสมัยนะแต่พ่อครูไม่ตามสมัย พวกเราตามไปหมดเลยรุ่นใหม่ก็ซื้อซื้อซื้อซื้ อ, อมันก็หลอกเราตลอดเวลาพวกเราเป็นคนตามสมัยนะไม่ใช่ทันสมัยเพราะครูนี่ทันสมัยมากนะเนี่ยไปกรุงเทพบางทีนิ้วพระครูมันใหญ่มันก็เอาเครื่องแบบนี้นะบางทีกดที่นี่มันก็ถูกสองเบอร์นะมันก็กดไม่ได้สักทีหนึ่งแหะก็บักดีแล้วไม่ต้องใช้เนาะแล้วมีแต่ว่าเออเขาโทรมานะเราก็มีหน้าที่รับนะถ้าเราต้องใช้เราก็เรียกคนอื่นเอง หาข้อมูลให้เราเนี่ยต้องทันสมัยนะสอนลูกหลานเราให้ทันสมัยอย่าไปตามสมัยอยู่กับสมัยใหม่ให้มันได้ตามไปว่าไม่ทันไปว่าทา่าดส่วนวิชาการเนี่ยเราไม่เรียนไม่ได้ไงเพราะเวลาไปสอบซึว่าเด็กเขาจะเข้ามาหาลายัยเขาจะเรียนพยาบาลไม่ใช่เขาอยากเป็นครูเหมือนเราสมัยก่อนเราเลือกเรียนอะไที่มันไม่ต้องสอบได้ไง เขาอยากเป็นอาชีพอื่นน่ะมันต้องหลายๆคนนี่อยากเป็นหมอเวลาสอบเข้าหมอเนี่ยมันทําให้เราจับฉลากไหมก็ไม่ไงเขาประเมินวิชาการเราไงถึงมาเดือดร้อนกับญาติธรรมหลายคนโดยเฉพาะครูอ้อยร่างกายก็ไม่แข็งแรงเด็กๆฟังนะลูกอย่าเป็นภาระของอาจารย์อ้อยเด็ดขาดนะถนอมตัวแกเนี่ยสอนเรานา น, านๆเมื่อกี้นั่งยังลุกไม่ขึ้นเลยเห็นไหมเออตั้งใจลูก อย่าให้ครูบาอาจารย์ต้องหนักอกหนักใจกับเรานะนะขนาดร่างกายยังไม่สมบูรณ์เขาอุตส่าห์มาสอนเราเนี่ยนะเป็นโอกาสดีเราแล้วเนี่ยพอมีอะไรดีๆครูครูอ้อยก็เมื่อวานก็เชิญอัลฟาโดเนี่ยไปไปคุยเรื่องเม็กซิกันให้เราฟังเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมเห็นหพวกครูเมื่อวานก็เห็นใครนั่งอยู่ใกล้ๆพวกครูก็เรียกไปหมดล่ะเออคุณนกเป็นแ i r h o ฮ t เตดไปนั่งฟัง พอเอฟโโดเขาเสร็จแล้วบอกว่าอาจารย์อ้อยมีเวลาสัก10บนาทีมาเขาบอกมีคุณนกไปคุยกับเด็กหน่อยหนึ่งไปเล่าให้เขาฟังว่าอาชีพแอร์โฮสเตสเนี่ยมันมีความสุขยังไงมันทุกยังไงต้องทําอะไรไม่ใช่เอาคุณนิเทศศาสตร์เนี่ยคุณนิเทศเนี่ยนะเกิดมาไม่เคยทําอะไรสําเร็จเลยก็นิเทศหลับหูหลับตาอยู่เนะี่ยมันจะถูกได้ยังไงเราของจริงเนี่ยที่เขาเป็นอาชีพแล้วมาบอกเด็กแล้วเด็กเป็นคนเลือกเอง ใช่ไหมเออคุณหมอบิ๊กมาเอาคุณหมอคุณหมอไปคุยกับเด็กให้พ่อครูหน่อยหนึ่งเมื่อกี้นี่คุณหมอบิ๊กก็นั่งเมื่อเมื่อวานนี่นั่งอยู่ข้างๆคุณนกก็นั่งต่อไปผู้บอกคุณนกคุณนกไปคุยกับเด็กก็บอกเดี๋ยวนี้เลยเดอ๋คุณบิ๊กบอกอินไซด์เอาเขาเคยแล้วไงพ่อครูไม่เคยบอกล่วงหน้านะถ้าบอกล่วงหน้าเราจะไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงเราจะไปเตรียมข้อมูลอะไรเยอะแยะเลย ก็พูดความจริงให้เขาฟังว่าเนี่ยอาชีพนี้เราสุขเราทุกข์ยังไงก่อนจะเข้าต้องเตรียมอะไรบ้างถ้านักวิชาการบอกล่วงหน้าเนี่ยโอ้ยขนมากระบุงเลยเดี๋ยวใช้สไลด์แนละอ้างความรู้ของคนอื่นเราจะไม่ได้ความจริงนะถ้าความจริงเนี่ยพูดเมื่อไหร่ก็ได้ใช่หมเ้าก็คุณเป็นแอสเซสเซสแล้วเนี่ยทำไมคุณไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงต้องไปถามใครเหรอต้องไปถามอาจารย์ไม่เป็นแอสเซสเซสยังไงอาจารย์บางทีสอนวิชา แอร์โฮสเตอาจารย์ไม่เคยเป็นแอร์โฮสเตดเลยนะอาจารย์จะรู้ได้ยังไงเราเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตดแล้วเราก็บอกว่าแอร์โฮสเตดมันเป็นอย่างนี้นะแกบอกว่าชีวิตมันไม่มีเวลากําหนดเวลาไม่ได้เลยเดี๋ยวบินเตียงเที่ยงคืนตีสองพอเขาเรียกก็ไปไงเห็นไหมละ่ะมันก็เหมือนสนุกอย่างหนึ่งมันก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งไงทีนี้เด็กก็ฟังเอาเห็นไหมก็ว่าเออฉันชอบไหมไม่ชอบถ้าเธอชอบเธอต้องอดทนนะมันไม่มี บางทีทั้งคืนเนี่ยบริการเขาทั้งคืนอยู่บนเครื่องบินน ะ, ะก็ทุกคนชอบไม่เหมือนกันนะแต่อาชีพอะไรก็ช่างถ้าเรามีสมนึกเรามีปัญญาเราจะทำอาชีพนั้นอย่างมีความสุขนะเราจะให้ความสุขผู้อื่นแต่ถ้าทำไปด้วยหน้าบูดไปด้วยเหนื่อยไปด้วยมันเหนื่อยเหนืยแต่อยากได้เงินไงไปฝืนทำอย่างนี้นะก็ไปใส่อารมณ์กับลูกค้าเนี่ย เมื่อไหร่ก็ไปไม่รอดนะเนี่ยเด็กๆมาอยู่ที่นี่เราให้เขาสัมผัสความจริงอาชีพจริงๆนะย่าที่ทำเรามีหลากหลายใครว่างปุ๊บก็ไปคุยกับเด็กโดยเฉพาะเด็กรุ่นนี้พ่อครูบอกครูก้ว่ า, วาเราเราช้าเกินไปหน่อยหนึ่งถ้าเด็กชุดนี้เนี่ยพ่อครูรู้ตั้งแต่สองปีก่อนเนี่ยเด็กพวกนี้จะเรียนอะไรก็ได้หมอนี่เรื่องเล็ก แต่ตอนนี้มันเหลือเวลาแค่หกเดือนนะชุดนี้นะแค่หกเดือนคุณครูเตรียมอะไรเขาไหมพาะครูยังอุศาไปหาข้อมูลอาจารย์อ้อยแก้วพยายามหาวันนั้นไปเจ อ, เ, อเรื่องหนึง่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งอยู่ภาคใต้ก็ก็บ้านนอกเหมือนเราไงโรงเรียนบ้านนอกเลยล่ะนะย้ายมาอยู่กรุงเทพก็ครึ่งทางก็ไล่กลับไปกลับไปเขาก็ไม่ให้เข้าโรงเรียนอีก ก็ไปเรียนกสนเขาใช้เวลาหเดือนสุดท้ายเนี่ยไปติวเองนะติวเองเขาสอบหมอได้ไงสอบแพทย์วิชาลัยพระอมองกุฎได้อาจารย์อ้อยเลยเห็นว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับหลักสูตรอะไรเท่าไหร่หรอกเกี่ยวกับเด็กถ้ามันมีความรับผิดชอบเนี่ยไม่ต้องใช้เวลากี่ปีหรอก ให้มันตั้งใจแต่ว่ามีครูบาอาจารย์ที่เขารู้จากเทคนิควิธีติวให้เราหน่อยหนึ่งเนี่ยสองประสานนะเอาความสามารถของของครูบาอาจารย์เนี่ยเขาติวเราแล้วก็เอาความจุดแข็งที่เด็กเราที่ตั้งมั่นเอาจริงๆขยันเนี่ยได้หมดบังเอิญใช้คําว่าเสียดายหน่อยหนึ่งเวลามันสั้นมากไม่เป็นไรเหลือเวลาหนึ่งวันพวกเราก็พยายามทำหนึ่งวันแต่ไม่ต้องเครียดลูกที่นี่ศูนย์นี่อันดับแรกครูที่นี่ต้องไม่ต้องเครียด แต่ว่าไม่ใช่หย่อนยานนะไม่ใช่เอเ้อเลงเหยนะบ้านเมืองจะสู้เขาไม่ได้นะเห็นไหมหลวงพบาบางอะ่ะอยู่ในลือบอะ่ะพ่อครูตกใจเลยนะจริงๆแล้วอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มั่นคงนะเพราะว่าไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรนะเห็นไหมแค่เอาช่างเสริมสวยเราใช้แรงงานเราเท่านั้นเองนะเขาบอกตอนนี้อยู่ไม่ได้ค่าเช่าแพงขึ้น ค่าครองชีพแพงขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีประเทศที่เขาอย่างเวียดนามคนเวียดนามเนี่ยเขาเกิดศึกสงครามมาแล้วเขาเดือดร้อนมาแล้วเนี่ยพวกนี้สู้ตายไงเขาขยันกว่าเรานะสำนึกเขาดีกว่าเราเทคโนโลยีเ้าดีกว่าเราเอาเราล้านเสริมสวยอย่างสมุนไรโรงเรียนด่านเม่นมีล้านเสริมสวยตัดผมนะนะเอานเราเก็บถูกกว่าเขา แต่เดี๋ยวอาเซียนเขามาเปิดอยู่ช่องเมกนิกเขาติดแอหมดเลยเห็นหั้ยตัดผมแถมกาแฟกินด้วยอย่างเงี้ยสมมุติอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เราสู้เขาได้ไหมเราเออเหรออย่างนี้เนี่ยกรรมกรเ็าอยู่ไม่ได้เนี่ยคุณครูต้องต้องอัปเดตนะนะพัฒนาตัวเองไม่ใช่พอใจที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยนะลูกหลานเราเป็นเหยือ แต่ไม่ต้องเครียดนะสมมติว่าเราไปกรพิทักษ์เนี่ยอุณหภูมิความเครียดเขา้อยหนึ่งหลังจากเขามาเช็คแอนดานแล้วเนี่ยเรือยู่9ก 90, นะครูเราตอนนี้มัน30ไงพิกอัพขึ้นมาให้60ก็พอนะไม่ต้อง90บนะเพราะคูก็ไม่ชอบนะเดี๋ยวครูเครียดต้องหามส่งโรงพยาบาลอีกไม่เอาเอาขึ้นมาแค่60ได้ไหมเออเอาแค่นั้นเอาแค่เรามีความสุข แต่ถ้าคูพอใจแค่30 40ิบสงอย่างนี้แหละครูพอใจแต่ว่าเด็กมันพอใจไหมประเทศชาติบ้านเมืองพอใจไหมเห็นไหมถ้าพักคูเลือกได้นะพักครูเลือกที่จะไม่เปิดประเทศไม่อาเซียนเฉพาะเมืองไทยครอบครัวเรายังคุยกันไม่รู้เรือ่องยังทะเลาะกันอยู่นั่นนองจะไปอาเซียนแต่ตอนนี้เราหยุดกระแสโลกมันไม่ได้ไงคุณครูต้องยอมรับความจริงพักคูชอบไม่ชอบ นะถ้าดีสุดไม่ต้องเปิดโรงเรียนตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องนั่งเสียเวลากันใช่ไหมละ่ะมันไม่ใช่เรื่องชอบไม่ชอบมันเป็นเรื่องของเราลักบ้านลักเมืองไงนะลูกหลานเราก็ยังต้องไปอยู่ต่อไปถึงเขาอยู่เฉยๆก็ช่างเนี่ยแต่คนอื่นจะไม่ให้เขาเฉยนะเขาจะมาแย่งเราอยู่ไม่ได้นะสงสัยก็เดินมาเตือนพ่อครูละโอเคนะก็จบห้วนๆแบบนี้แหละไม่งั้นมันไม่ได้จบสุดท้ายนี้ถือว่าวันพ่อนะ